ตอนที่ส0วักที่หปัญหาที่สองถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้าข้าแต่พระนาคเสนพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูคือทรงรู้ทุกสิ่งเป็นสัพพทศวีคือทรงเห็นทุกอย่างจริงหรือขอถวายพระพรจริงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทธอจริง เหตุไฉนจึงทรงบัญญัติสิขาบทไปตามลำดับเหตุการ์แกสาวกทั้งหลายทำไมจึงไม่ทรงบัญญัติไว้ก่อนขอถวายพระพรแพทย์ที่รู้จักยาทั้งหมดในแผ่นดินนี้มีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก็แพทย์นั้นให้คนไข้กินยาแต่เมื่อยังไม่เป็นไข้ หรือเมื่อเป็นไข้แล้วจึงให้กินยาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็เมื่อเป็นไข้แล้วจึงให้กินยาเมื่อยังไม่เป็นไข้ก็ยังไม่ให้กินยาข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งเห็นทุกอย่างจริงแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่บัญญัติสิกขาบทต่อเมื่อถึงเวลาจึงบัญญัติสิกขาบท สิขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นพระสาวกไม่ควรร่วงระเมิดจนตลอดชีวิตถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า